สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนายทหารคุณชอบเล่าเรื่องราวที่ท่านสมาชิกได้ส่งมาให้ผมได้ถ่ายทอดก็มีทั้งเรื่องผีเรื่องแปลกวันนี้ไปเรื่องป่าบางครับเรื่องนี้ส่งมาจากคุณพิชิตชัยหรือว่าคุณชิดท่านสมาชิกของเรานั่นเองคุณชิดเล่าว่าย้อนไปเมื่อประมาณ10บกว่าปีหรือปีพุทธศักราช2546ช่วงปลายเดือนตุลาคมผมได้แต่งงานกับภรรยาซึ่งปัจจุบันเลิกกันไปแล้ว ที่อำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีชุนที่แต่งงานกันรกแรกๆก็ไม่มีอะไรตื่นเต้นปีใหม่ทีสงครานทีหนึ่งก็จะพาภรรยากลับไปเยี่ยมบ้านทีหนึ่งโดยทุกครั้งที่กลับบ้านไปนั้นพ่อตาก็จะมีเนื้อหมูป่าตากแห้งเนื้อแก้งตากแห้งเตรียมไว้ให้เสมอและตัวแกก็มักจะถามผมว่ายิงปืนเป็นไหมแม่นไหมผมก็ตอบกักไปว่าก็พอจะยิงเป็นครับและแกก็จะพาไปยิงนกบ้างยิงหนูตอนกลางคืนบ้าง คล้ายๆกับว่าแกจะดูเชิงผมว่าเป็นยังไงซึ่งตัวผมนั้นก็พอจะยิงได้บ้างจนประมาณปลายเดือนกันยายน2548แม่ของเช้านายผมท่านเสียชีวิตท่านก็เลยให้ผมหยุดงาน1สัปดาห์ผมก็เลยถือโอกาสชวนภรรยากลับไปเยี่ยมพ่อตาที่อุบลราชธานีวันนั้นเราก็เดินทางกลับไปถึงบ้านก็ช่วงบ่ายก็เห็นว่าพ่อตากาลังคุยกับชาวบ้านห้ถึงคนอยู่ที่ใต้ถุนบ้านหลังจากที่จัดการสัมภาระลงจากรถเสร็จ ผมก็เลยเดินไปซื้อเหล้าขาวไม้พ่อตากับชาวบ้านกลุ่มนั้นสองขวดใหญ่จากนั้นก็ร่วมวงสนทนากันจึงได้ความว่าพ่อตาผมแกเอาควายไปปล่อยเลี้ยงที่บริเวณติดภูเขาลูกหนึ่งซึ่งเป็นเขตอนุรักษ์สัตว์ป่าขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อนะครับแกบอกตอนที่เจอมันกำลังกินลูกกระบอกอยู่ที่ริมลาธารที่แกเอาควายไปเลี้ยงเมื่อ3าสวันมาแล้วซึ่งปกติแกบอกว่าหมูป่านะ่ยมันจะออกหากินเวลากลางคืนแต่ว่าเจ้าหมูป่าตัวนี้มันแปลกแปลกก็ตรงที่ว่ามันออกหากินตอนกลางวัน แกก็เลยเอามาเล่าให้เพื่อนเพื่อนชาวบ้านกลุ่มนี้ฟังซึ่งพอได้ฟังกันแล้วทุกคนตอนแรกก็บอกว่าปล่อยมันไปเถอะเพราะว่าหมูตัวนี้มันแปลกหากินตอนกลางวันทําไมมันไม่หากินตอนกลางคืนแต่ก็มีพี่คนหนึ่งในกลุ่มนั้นแกชื่อพี่ต้องแกก็บอกว่าโอ้โ oh หออกล่าหมูป่าล่าเก้งมาด้วยกันก็เยอะทำไมพวกพี่พวกลุงมาปอดแหกกับไอ้แค่หมูป่าตัวเดียวใครไม่ไปผมไปคนเดียวก็ได้พอดีมีเพื่อนที่เดชอุดมอยากจะได้หมูป่าเขาให้ราคาตัวละหมื่นสองพบาทเชีวนะถ้า ม, มีใครไปด้วย ผมยิงมาได้เงินผมไม่แบ่งใครนะพอแกพูดจบทุกคนก็งเงียบไปพักหนึ่งทีนี้ก็เริ่มมาตกลงกันก็สรุปได้ความว่าไปก็ไปถ้าได้มาก็ามาขายเอาเงินแบ่งพันกันเอาไว้ใช้ใจ่ายในครอบครัวเมื่อได้ความกันอย่างนั้นก็แยกย้ายกันไปกลับบ้านใครบ้านมันหลังจากที่กินข้าวเย็นเสร็จพ่อตาก็เลยถามผมว่าไอ้ทิศพรุ่งนี้จะไปกับพ่อไหมผมก็รีบตอบตกลงไปทันทีเลยครับเพราะตั้งแต่เกิดมาจนอายุ22่ปีในขณะนั้นนะครับ ผมยังไม่เคยได้เจอหมูป่าจริงๆตัวเป็นๆ เ, เลยสักครั้งและนี่ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เห็นและเมื่อถึงตอนเช้าของวันถัดมาพ่อตาผมแกก็เตรียมปืนกับสัมภาระเรียบร้อยตัวแกนั้นถือปืนลูกสองเดี่ยวคู่ใจของแกส่วนตัวผมนั้นถือปืนแกป๊ปกระสุนปืนของพ่อตาผมนั้นแกจะต้มตะกัวหล่อเองให้พอดีกับลำกล้องปืนถ้าได้เจอสัตว์ใหญ่ยิงเข้าจุดสำคัญผมคิดว่าอนุภาพของมันก็คงไม่เป็นรองปืนลูกสองเท่าไหรนะ่นัก สัมภาระถูกจัดเตรียมเรียบร้อยพวกชาวบ้านก็ขับรถอีกโกงมาขออธิบายนิดหนึง่งรถอีกโกงก็คือรถไถเดินตามที่ถูกตัดแปลงให้มีกระบะพ่วงท้ายพวกชาวบ้านก็ขับมาจอดที่หน้าบ้านพอดีสมาชิกในกลุ่มที่จะออกติดตามหมูป่าก็มีพ่อสิงพ่อตาผมเองลุงจอนน้ำมนต์เพื่อรองพี่ต้งไอริศและก็รวมผมอีกคนหนึ่งทั้งหมด7คนเมื่อครบทีมแลากออกเดินทางกันทันทีระยะทางก็ราวๆยี่กิโลเมตร ถนนหนทางที่เราไปก็จะเป็นทางเดินของวัวควายที่ชาวบ้านนั้นปล่อยไปเลี้ยงที่บริเวณตีนเขามันก็มีทั้งโคลนตมก้อนหินเล็กบ้างใหญ่บ้างเป็นบางช่วงสำหรับผมนั้นถือว่าเป็นการเดินทางที่ค่อนข้างลำบากพอสมควรกว่าจะไปถึงที่หมายก็ปาเข้าไปเกือบบ่ายสองพอไปถึงพ่อตาก็เดินหาฝูงควายที่แกปล่อยไว้และเมื่อได้พบนับจำนวนครบแล้วแกก็กลับประพาเดินทางต่อไปตามริมดําถานเข้าไปอีกก็พากันมุ่งหน้าลึกเข้าไปประมาณกิโล ก, กว่า แล้วก็มาถึงและต้นกระบกใหญ่ต้นหนึ่งซึ่งยืนเด่นอยู่ที่ลำทารข้างหน้าพวกเราพ่อตาก็เลยสสัญญาณบอกให้เงี ย, งยบๆกันพวกเราทุกคนก็หยุดแล้วก็หาวิธีหามุมที่จะมองให้เห็นถนัดชัดเจนที่ใต้ต้นกระบกนั้นพักหนึ่งระหว่างที่กําลังหามุมกันอยู่นั้นปังทุกคนตกใจเมื่อเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดพร้อมกับเสียงร้องของพี่ต้องบอกว่าโดนแล้วโดนแล้วพวกเราก็เลยรีบวิ่งมารวมตัวกันบริเวณที่พี่ต้องแก่อยู่และพี่ต้องแกก็วิ่งนําหน้าเราไปยังเป้าหมาย ซึ่งตอนนั้นผมยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรพอพ้นชายป่าที่เราอาศัยเป็นที่กําบังเราก็เห็นร่างหมูป่าตัวใหญ่มากตัวหนึง่งน้ําหนักน่าจะประมาณ8090กิกลกรัมได้กำลังตะกิยตะกายตัวเองลงลําธารไปร่างของมันโชคไปด้วยเลือดมันพาตัวเองขํานําทานขึ้นสันเนินอีกฝั่งหนึ่งของลาําธารหายเข้าไปในป่าไผ่้ํามพอวิ่งไปถึงใต้ต้นกระบกพ่อตาผมก็บอกว่าหมูเจ็บแบบนี้มันคงมีไปได้ไม่ไกลใกล้จะค่ําแล้วพวกเราต้องรีบตามให้ทัน หไม่คืนนี้ก็ออกไปตั้งแคมป์กันบริเวณที่แกปล่อยควายเลี้ยงไว้แล้วก็ค่อยๆามาตามหามันพรุ่งนี้พระดูจากรอยเลือดแล้วแกบอกว่าหมูตัวนี้คงหนีไปได้ไม่ไกลมากเดี๋ยวมันก็ขาดใจตายพี่ต้องก็บอกแกไปว่าไหนๆก็ยิงมันจนเจ็บแล้วตามมันให้ได้ในวันนี้เลยดีกว่านี่ก็เพิ่งจะห้าโมงกว่าเองยังไม่มืมดซะหน่อยพวกเราก็เลยปรึกษาหารือกันแล้วก็ตกลงกันว่าจะตามกันต่อแบบเดินเรียงหน้ากระดานห่างกันคุรอสองสมว่าจากนั้นก็เดินข้ามลำธารลงสันเนินป่าไผ่หนามลงมา พวกเราก็เดินเรียงหน้ากระดานกันลุงจอนอยู่ท้ายแถวจากซ้ายมือน้ำมนต์พี่ต้องผมเอริทพี่โรองแล้วก็ปิดแถวขวาสุดที่พ่อตาผมเราเดินกันบ้างคลานบ้างตามรอยเลือดหมู่ตัวนั้นไประยะทางจากลําธารประมาณ6กถึงเจ็เมตรน่าจะได้ก็ได้ยินสิ่งพี่ต้องบอกว่ามันยืนหอบอยู่ตรงนั้นนั่นไงแล้วแกก็ยกปืนขึ้นประทับบาลั่นไกปั้งผ่านหน้าผมกับไอริทไปแบบเส้นยาแดงผ่าแปด พอสิ้นเสียงปืนก็ได้ยินเสียงร้องของพี่รองร้องขึ้นด้วยความเจ็บปวดทรมานอย่างแสนสาหัสผมก็เลยมองลอดกอไผ่ออกไปเห็นร่างพี่รองกำลังนอนดิ้นทุรนทุรายเลือดไหลโชกร่างของแกหนองเต็มพื้นและพ่อตาผมแกก็ตะโกนไปว่าไอ้ต้องมึงยิงไอ้รองทำไมพี่ต้องแกก็ตอบกลับระหว่างที่แกกำลังคลานตามเสียงร้องทุรนทุรายของพี่รองไปยิงไอ้รองที่ไหนลุงผมยิงหมูยิงสามให้หน่อยมันยังไม่ตายสนิทดีแกพูดไปแล้วก็คลานไปด้วยจนถึงร่างของพี่รองที่นอนดิ้นอยู่ แล้วสิ่งที่พวกเราไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นอีกครั้งพี่ต้องยกเท้าขึ้นเหยียบหัวพี่รองแล้วก็ยิงซ้ำอีกครั้งปังหัวของพี่รองกระจายทันทีด้วยอันุภาพของกระสุนปืนลูกสองแฝดของแกเท่า น, นั้นยังไม่พอแกยังตะโกนร้องขึ้นมาอีกครั้งฮิวฮวฮวิมันเสร็จผมแล้วเงินหม0 0นบาทเป็นของพวกเราแล้วด้วยความตกใจอย่างที่ไม่เคยได้เจอมาก่อนผมไม่รู้ว่าผมฉี่ราดกันเกงตอนไหนมาได้สติอีกทีก็ตอนที่ได้ยินสิ่งพ่อตาตะโกนบอกว่า พวกเราถอยเอาไปรวมตัวกันก่อนไอ้ต้องมาโดนผีบังตาและพวกเราก็กึ่งเดินกึ่งคลานมารวมตัวกันที่ริมลาธารพอตั้งสติกันได้สักพักพ่อตาผมแกก็ชวนให้เข้าไปดูพี่ต้องกับศพพี่รองอีกครั้งในเวลานั้นป่าภัยเริ่มจะมืดแล้วพอตาผมแกก็เลยเอาไฟฉายแบบติดหน้ผาผากมาส่งนําทางนําเราเข้าไปและเมื่อเราเข้าไปถึงที่เกิดเหตุกันแล้วก็ได้เจอกับพี่ต้องแกหันกลับมามองพวกเราเสียตาคองแกที่ต้องกับแสงไฟฉายของพ่อตาผม บัตรนี้เป็นเหมือนกับไม่ใช่ตาของมนุษย์สีแดงก่ําคล้ายๆกับตาอีเห็นหรือไม่ก็ตาหมาจิ้งจอกแล้วแกก็หูวเราออกมาเป็นเสียงคนแก่พูดว่า <c oughs> ลูกกูหากินอยู่ดีๆตามประษาของมันพวกมึงมาข่ามันทําไมพอตาผมเห็นแบบนั้นก็เลยบอกให้พวกเราถอยออกมาแล้วแกก็บอกว่าแกกับลุงจอจะเฝ้าดูพี่ต้องกับศพพี่รองอยู่ตรงนี้ให้น้ำมนไอริศและผมกลับเข้าหมู่บ้านารับหมอทํากับคนเท่าคนแก่ มาทำพิธีขอขมาลาโทษเจ้าป่าเจ้าเขาและเมื่อตาวงหมอทําประจําหมู่บ้านรู้เรื่องแกก็บอกให้แม่ใหญ่ผมทำอาหารข้าวเก้าอย่างหวานเก้าอย่างไก่ต้มหนึ่งตัวแล้าข่าวหนึ่งขวดพอเตรียมของกันเสร็จพวกเราก็ออกเดินทางไปหาพ่อตายอีกครั้งไปถึงก็ราวเที่ยงคืนกว่าๆตาวงก็เริ่มทําพิธีขอขมาเจ้าป่าเจ้าเขาขอนําร่างพี่รองกลับบ้านสักพักหนึ่งเราก็ได้ยินสิยงหัราะดังกล้องมาจากตรงที่พี่ต้องกับศพพี่รองอยู่ สิ่งที่ฝังหน้าคุณลุกนั้นดังขึ้นแล้วก็เงียบไปตาวงแก่ก็บอกว่าเขาอนุญาตให้เอาศพกลับบ้านได้แล้วขอตาผมก็เลยเดินนําหน้าเข้าไปซึ่งตอนนี้มีชาวบ้านผู้ชายตามผู้ผมมาจากหมู่บ้านอีก10บกว่าคนพอพวกเราเข้าไปถึงก็เห็นพี่ต้องนั่งเหมือลอยเหมือนคนไม่ได้สติแล้วชาวบ้านก็ช่วยกันเอาผ้าใบาที่เตรียมมาห่อศพพี่โรองช่วยกันนําออกมาอย่างทุลักทุเลส่วนพี่ต้องนั้นตาวงก็ทําน้ำมนต์ให้กินแล้วก็พรมน้ํามนต์ให้จากนั้นชาวบ้านก็จับแก่มัดไว้ แสรถอโก้นำกลับเข้าหมู่บ้านกว่าจะถึงบ้านกันได้ก็เกือบ7จ็ดโมงเช้าของอีกวันหนึ่งพอจัดงานศพของพี่รองเสร็จตำรวจในพื้นที่ก็เรียกญาติทั้งสองฝ่ายรวมทั้งพวกผมด้วยไปตกลงกันก็สรุปได้ว่าทางญาติพี่ตองต้องขายที่นาที่มีอยู่40กว่าไร่ได้เงินราวๆสามแ0 0กว่าบาทนํามาจ่ายเป็นค่าทําศพให้กับญาติฝ่ายพี่รงสอง0ส0สามหบาทหลังจากที่จบเรื่องราวทุกอย่างพี่ตองก็ต้องกลายเป็นคนที่คล้ายกับเสีสติ เป็นๆ ห, หายอย่างนั้นประมาณ4ปีปีจากนั้นแกก็หายเป็นปกติแต่จำอะไรไม่ได้และนี่ก็คือเรื่องราวประสบการณ์ของผมครับเรื่องนี้ทำให้ผมเชื่อเลยว่าผีบังตาเจ้าป่าเจ้าเขามีจริงๆแล้วเรื่องราวก็จบลงครับทีนี้เราก็มาต่อกันที่เรื่องของคุณสุวัตกันบ้างนะครับเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับการนั่งห้างซึ่งมีอาจารย์ท่านหนึ่งได้เล่าให้ฟังเกี่ยวกับพ่อของแกเมื่อสมัย70กว่าปีมาแล้ว สมัยนั้นในป่าโคราชยังถือว่าอุดมสมบูรณ์มากมีต้นไม้น้อยใหญ่นานาชนิดว่ากันในหมู่พรานยุคนั้นถ้าคนไหนเคยยิงแรดนับว่าเป็นบุญโขเพราะว่าแรดนั้นก็เริ่มจะหมดไปจากป่าแล้วด้วยหนังและนออันงามของมันจึงได้ดึงดูดเหล่าพรานและนี่ก็คือเรื่องราวของตาช่วยพ่อของท่านอาจารย์ที่กรุณาถ่ายทอดให้ฟังครับวันนั้นตะวันบ่ายคล้อยแกเล่า ว, ว่าพ่อของแกกําลังตําข้าวอยู่ใต้ถุนเรือน จูจ่ๆเพื่อนของแกชื่อพิทิสมีเป็นพรานมือใหม่กัตชุมพรานใหญ่ที่จำชองในป่ากลับมาจากการล่าสัตว์พร้อมได้เก้งตัวหนึ่งและผักหวานป่าทั้งสองคนมีท่าทีตื่นเต้นแล้วก็เล่าให้แกฟังว่าหลังจากที่กัตชุม่มแกยิงเก้งที่ลําห้วยเสร็จจากนั้นแกก็ให้ทิทมีเอาเก้งตัวนั้นไปซ่อนไว้แล้วก็ทําเครื่องหมายกํากับอีกทีแล้วก็ช่วนกัน ร, รุดหน้าไปยังหุบข้างหน้าเพื่อเก็บผักหวานป่าต่อไปเมื่อเดินทางมาถึงบริเวณหุบข้างหน้า ก็ไม่รีรอรีปีนต้นผักหวานบนเนินเก็บเป็นอย่างสบายารม์เพราะวันนี้มีทั้งเนื้อและผักเอาไว้ใช่กินได้อีกหลายวันและในขณะนั้นสายตาของทิศมีก็ได้มองไปเห็นสิ่งสิ่งหนึ่งจะว่าช้างก็ไม่ใช่กระทิงก็ไม่เชิงอยู่ที่ตีนเขาราวห0าเมตรเนินที่ทิศมีกับจะชุ่มเก็บผักอยู่นั้นสูงกว่าบริเวณอื่นของหุเจึงทําให้มองเห็นได้ทั่วบริเวณและมันก็ช่เมืองอื่นเหลือเกินที่เขา้าต้น2นั้นอยู่ใต้ลมจึงทําให้มันไม่ได้กลิ่น แต่ชุ่มแกดีใจมากเพราะในชีวิตพรานของแกเคยเจอแรดแค่สองขนและแต่ละครั้งก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ยิงแต่ชุ่มแกก็บอกอีกว่าอย่างไรเสียมันก็ต้องลงมากินป่งที่กลางหุบอย่างแน่นอนเพราะทิดโปง่งมันเป็นหนองแห่งเดียวที่เหลืออยู่ในขณะนั้นว่าแล้วแกก็รีบกลับบ้านพร้อมกับทิศมีแล้วก็กะจะมาชวนแต่ช่วยพ่อของอาจารย์ให้ไปด้วยกันซึ่งขณะนั้นแต่ช่วยยังไม่แก่ก็เรียกได้ว่าหนุ่มๆและแล้วการออกเดินทางของทั้ง3คนก็เริ่มขึ้นณเวลา11บเนาฬิกา เดินทางไปถึงบริเวณที่จะขัดห้างก็ราวบ่าย3ามโมงหลังจากที่ขัดห้างกันเสร็จก็ออกมาบริเวณที่ใกล้ๆกินข้าวทําธุระส่วนตัวจนเสร็จแล้วก็พากันกลับห้างหลังจากที่นั่งเฝ้าอยู่บนห้างเราสักสองยามบรรยากาศ ร, บรอบๆกายทุกอย่างมันเงียบผิดปกติไม่มีเสียงอะไรเลยแม้แต่เสียงของจิ้งหรีดหรือเสียงของสัตว์ที่พึงจะมีในเวลากลางคืนนกกลางคืนก็ไม่มีส่งเสียงแต่ชุ่มแก่ก็บอกว่าเอ้ยมันจะเป็นยังไงซะแล้วว่าไอาทิตย์ แล้วจูๆ่ๆสาตาของตะชุ่มก็เหลือไปเห็นสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งบัดนี้มันอยู่ตรงกลางหนองใช่เจ้าแร่ตัวนั้นไม่รู้มันไปอยู่กลางหนองตั้งแต่เมื่อไหร่มันมาจากทางไหนเหมือนว่ามั น, มนโผล่ขึ้นมาจากหนองเฉยๆเหมือนว่ามันกําลังดำน้ําอยู่แล้วจู่ก็โผล่ขึ้นมาทํเอาทั้งสมคนถึงกับขนลุกเกลียวและแล้วก็หนาวขึ้นไปอีกเพราะจู่ๆมันก็หายไปอ้าวเฮ้ยเสียงตาชุ่มร้องอุทานสักพักก็มีบางสิ่ง ค, คล้ายๆคนเดินขึ้นไปจากหนองตรงมาทางห้าง ลักษณะไม่ใส่เสื้อนุ่งจงกระเบนเมื่อแสงแจ้งกระทบจึงทําให้มองเห็นได้ถนัดร่างที่กําลังเดินมานั้นดําทมืนแล้วก็กค่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนความสูงเทียบห้างของพวกเขาทั้งสแล้วก็พูดภาษาโคราดว่าไอ้น้อยพวกมึงจะมายิงลูกกุนนี่แต่ชุ่มที่เอาวิสุทธิสุดก็เลยพูดว่าจ้าฉันขอเถอะฝ่ายชายลึกลับก็ตอบกลับมาว่าไม่ได้ดอกมันเหลืออยู่ตัวเดียวแต่ชุม่มแกก็เลยบอกว่างั้นขออย่อื่นก็ได้ ชายลึกลับก็บอกว่าถ้ามึงอยากตายก็ลองดูคู่จบชายลึกลับสูงใหญ่เท่าห้างก็เดินมาหยุดอยู่ตรงหน้าห้างยิ้มอย่างเดียวๆแล้วก็กล่าวว่างั้นกูขอยาสูบมวนจากนั้นแต่ชุ่มก็ทำปากขมุบขมิบแล้วก็เป่าพรวดลงไปยังปืนแก๊ปของแกพร้อมกับยื่นออกไปนอกห้างชายคนนั้นก็เอาปากอมปลายปืนทันทีปังเสียงปืนดังขึ้นสนั่นป่าแต่แล้วแต่ชุ่มก็ต้องหน้าถอดสี เราะชายคนนั้นมันพ่นควันออกมาพร้อมกันนั้นก็ถุยกระสุนตะกัวออกมาที่ห้างจากนั้นชายลึกลับก็พูดขึ้นอีกว่ามีอีกไหมแล้วทิดมีแกก็นํากระสุนทองแดงมาบริ ก, กรรคาถาแล้วก็นําใส่ปืนแล้วก็ท่องคาถากํากับปืนอีกทีจากนั้นก็ปังเหมือนเดิมเหตุการณ์ทุกอย่างเหมือนรอบแรกชายลึกลับก็พูดว่าพวกมึงมีดีแค่นี้หรอแต่ช่วยแกเห็นท่าไม่ดีก็เลยบอกทุกคนว่ามาฆ่าเองแกนําขี้สูตรหรือขี้พึ่งพรงชนิดหนึ่ง บ้างเรียกชันรมมเศกคถาใส่แล้วนำดินที่ติดตัวมากรอกใส่ปืนแล้วก็ยิงปังชายลึกลับนั้นไอแล้วก็จามเหมือนคนกำลังสำลักแล้วก็พูดว่าพอแล้วกูไปแล้วมึงมีดีอยู่นีว่วะพูดจบชายลึกลับก็หายไปในความมืดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกคนไม่มีใครนอนเลยนั่งกันยันเช้าและเมื่ออรุณรุ่งมาถึงทิดมีกับตะช่วยก็าําตาชุ่มว่าไอ้เมื่อคืนนี้มันเป็นใคร แต่ชุ่มก็ตอบมาคำเดียวว่ากลับถึงบ้านแล้วจะเล่าให้ฟังพอมาถึงบ้านก็ไม่รีรอทิดมีถามแต่ชุ่มทันทีแต่ชุ่มก็บอกว่าไอ้เมื่อคืนเน่มันเป็นเจ้าที่หรือบ้างก็ว่าเป็นโสมฝ้าสมบัติมันมีฤทธิ์มากเพราะตอนเป็นคนพวก ม, มันมักจะมีวิชาและสมาธิสูงคนโบราณมักจะเลือกคนจำพวกนี้ให้มาเป็นโสมหรือผีฝ้าสมบัติเราฤทธิ์เป็นมากยากที่จะสยบด้วยคาถาอาคม แล้วก็ยังบอกว่าสงสัยบริเวณที่พวกเราไปนั่งห้างมันต้องมีสมบัติแน่ๆไม่งั้นมันไม่มาให้เห็นหรอกพวกมันหวงของและที่อาจารย์บอกผมไม่อีกอย่างหนึง่งที่เป็นเครื่องพิสูจน์ก็คือต่อมาอีก20ปีที่นั่นมีคนขุดพบเทวรูปโบราณขนาด5้าถึงสินิ้วตามไร่นาะตามตอไม้เก่าบางคนถึงขนาดเอาเครื่องไมอดิแทคเตอร์ตรวจหาก็มีแต่คนที่ขุดเอาไปแต่ละคนนั้นถ้าไม่เอามาคืนก็เป็นบ้าหรือไม่ก็ตายหงอยทุกรายไป แล้วเรื่องราวที่ผมได้ฟังมาก็จบเพียงเท่านี้ครับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณพิชิต ช, ชัยกับคุณสุวัสด์นะครับที่กรุณาแบ่งปันเรื่องราวดีๆมให้พวกเราได้ฟังกันก็ขอขอบคุณทุกการบังใจนะครับผมจะพยายามทําให้ดีต่อไปครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ